ทีนี้พอทาที่เหลือเนี่ยนะคือเวทนาสองในธาตุสามหรือในภพสามเนี่ยนะแล้วก็สักกายะเนี่ยนะในรูปกับอารูปเนี่ยนะอรหัตตมรักษ์เนี่ยทำปริญญาเสร็จแล้วเพราะดินแดนเหล่านี้จะไม่เป็นแดนโครจรของ อันนี้ก็ของมานานุสัยเวทนาสองในการมาธาตุคือมานานุสัยในสกายะทั้งหมดเป็นอวิชานุสัยรูปประราคารูปประราคาของภวะราคานุสัยอนุภาพของการทําปริญญาของท่านในอารมณ์เหล่านี้มาเป็นอย่างดีเนี่ยนะท่านจึงรู้ว่าสิ่งนี้จะไม่เป็นดินแดนแห่งกิเลสอีกต่อไปคือพวกนี้นะพวกสกกายะ เวทนาสองในการมาธาตุทุกขเวทนาพวกนี้ยมันเป็นแดนโครจรแห่งกิเลสแล้วก็เป็นแดนโครจรแห่งวิปัสนาทีนี้วิปัสนาโครจรไปในสิ่งนี้จนอริยมรรคเกิดจึงรู้ว่าหลังจากนี้ต่อไปกิเลสจะเลิกโครจรแล้วเนี่ยนะเลิกโครจรแล้วที่ในบางแห่งเขาบอกว่าปราบกบฏแล้วขึ้นครองราชได้เนี่ยนะถ้าฆ่าหัวหน้าโจรขนาดนี้ได้แทนดินแถวนี้สงบแล้ว โจรจะไม่มากล้ามกายแถวนี้อีกต่อไปถ้าข่าหัวหน้ากบฏขนาดนี้ได้แผ่นดินแถวนี้สงบปีกเท่านี้ถ้าข่าได้ข่าพระราชาโจรได้คนเดียวแผ่นดินนี้จะเลิกเป็นแผ่นดินโจรอีกต่อไปเนี่ยนะก็อันนี้ก็ด้วยอนุภาพของภารยมรรคนะคนที่ทําสําเร็จก็จะขึ้นครองราชแทนเนี่ยนะก็เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ต่อไปเนี่ยนะซึ่งกษัตริย์องค์แรกเป็นกษัตริย์โจรใช่ไหมอวิชาเป็น กระสัใหญ่เลยนะตัวนนี้ก็ตอนหลังปัญญาก็ขึ้นครองราชแทนก็ปัญญาเป็นใหญ่ชีวิตของผู้มีปัญญาก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดหรือชีวิตที่สูงสุดเนี่ยทำปริญญาไม่ใช่ทําเพื่อละกิเลสเนี่ยนะมันเป็นลักษณะว่าคนที่เรียนวิชานั้นจนจบแล้วเปิดทบทวนอ่า น, นะเป็นลักษณะทบทวนเพากลุ่มปัจเวคขณายางก็คือกลุ่มทบทวน คือวิสัยของพระโพธิสัตว์หรื อ, อนะท่านก็ละเอียดตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วยิ่งเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งละเอียดกว่าเดิมเนี่ยนะท่านเป็นคนที่รอบคอบมากานะเป็นคนที่รอบคอบโดยประการทั้งปวงเพราะนั้นท่านจะตรจสํารวจตรวจตราอย่างละเอียดทียิบไปหมดเลยเนี่ยนะจนเขาเรียกว่าปติญาณในความเป็นสัมมาสัมพุทธะโดยที่ไม่ เ, เรอเวสารชยานเนี่ยนะยามที่ไม่ขั้นค้าม เป็นองค์อาจอาจฐานจริงๆว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธปฏิญญาเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้ท่านกล้าพูดเลยว่าเราเป็นสัพทานอยูเนี่ยนะไม่มีอะไรที่เราไม่รู้แล้วต่อไปบอกว่าขีนาสวะปฏิญญาไม่มีกิเลสไหนที่เหลือแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าอ่าทำใดที่พระ อ, องค์บอกว่ามันมีโทษมันมีโทษจริงๆเพราะพิจารณามาละเอยียดรอบคอบแล้วแล้วอริยมรรคที่ท่านสอนออกจากทุกข์ได้จริงเนี่ยนะ นั่นก็อันนี้ก็เป็นเวสารัชยานสี่ประการเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นยานที่ทําให้พระองค์นี้องค์อาจไม่ขั้นคาำในที่ทุกแห่งเนี่ยนะใครว่าไม่มีคําว่าสะดุ้งไม่มีคําว่าตกใจไม่มีคําว่าอะไรเนี่ยนะไม่มีความหวั่นไหวโดยประการทั้งปวงเนยนะีนก็เหมือนกันนะเราก็มาลมาคิดตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ทีนี้ถามว่าเอาชี้ชัดมาสิว่าจะให้เอาอยัางไงกันแน่ เพราะของอามาจะไปถามใครว่าใช่เอาอย่างไงเนี่ยคือคือคำสอนทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเป็นการปรับความรู้ปรับความเข้าใจในทิศทางให้รู้โดยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยคำถามประเภทว่าทำไมคืออะไรเนี่ยให้มันตอบให้ได้ทั้งหมดก่อนแล้วที่สำคัญเนี่ยนะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยปรารถนามรรลนิพพานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีอยสูตรหนึ่งอันในในอกิติชาดกเนี่ย ท้าวสักกะเขาให้พร อ, อากิติดาบทว่ามนะข้าพเจ้าให้พรท่านท่านเลือกเอาเถอะอากิติก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ห่างคนพานห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้มันจะ ก, กี่ร้อยกี่พันโยอดก็ช่างเถิดให้ห่างขนาดนั้นแหละทีนี้ท้าวสักกะก็ถามว่าแล้วคนพานมันสร้างความเสียหายอะไรให้แกทท่ท่านทําไมท่านต้องเกลียดคนพานเหลือเกินที่ท่านต้องการห่างไกลจากคนพานมากก็บอกว่าคนพานนะซ้อนก็ไม่ฟัง บอกดีๆก็โกรธเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อยากใกล้คนพานเหมอนันอันนั้นนี่คือโทษที่เกิดจากคนพานใช่ไหมท่าที่อื่นเราบอกเลยว่าภัยทั้งหลายเกิดจากคนพานอุปสรรคทั้งหลายเกิดจากคนพานอุบาสทั้งหลายเกิดจากคนพานทั้นความเสียหายทั้งมวลเกิดจากคนพานนั้นด้วยประการดังนี้เลยข้าพเจ้าไม่ต้องการคบคนพานอันนี้เขาว่าอันนี้คือเขาเห็นโทษของการคบคนพานแล้วใช่ไหมแล้ว พขอพรข้อต่อไปบอกขอปรารถนาคบบัณฑิตใกล้บัณฑิตเนี่ยนะอ้าวแล้วบัณฑิตมีคุณยังไงดียังไงบอกว่าบัณฑิตเนี่ยนะแนะนำก็ฟังแนะนําดีก็ไม่โกรธเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นเข้าเจียงปรารถนาจะคบบัณฑิตเพราะฉะนั้นความดีทั้งมวลนี่ก็มีบัณฑิตเป็นปัจจัยใช่ไหมบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกองคเดียวนี่มีคุณขนาดไหนคิดดูนะพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกนะียการเว้นจากการฆ่าสัตว์มีเท่าไหร่ ก็ดูถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะคิดว่าจะมาเนี่ยไหมหรืออาจจะไปทําำกุศลกันมบทแทนไม่แน่ใช่ไหมใครจะไปรู้ว่าถือไอ้คันเบ็ดตกปลาเนี่ยไปหิว้วมาอยู่บอ่อไหนก็ไม่รู้นะถ้าไม่อาศัยคําสอนเนี่ยนะต้องอาศัยคําสอนเนี่ยเป็นอุปการะคุณให้เจริญกุศลเป็นอย่างมากเล ย, เ น, ยนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยปาณาติบาตเนี่ยลดให้แัดไปเท่าไหร่ อธินาทานเป็นต้นลดไปเท่าไหร่เพราะนั้นอาศัยบัณฑิตคนเดียวเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งประโยชน์เกื้อกูล ค, ความสุขเป็นอย่างมากอันนี้การรู้คุณรู้โทษของการครบการห่างคนพานการครบบัณฑิตอันนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งในการที่เรียกว่าเราจะทำอะไรทำไมเราจึงต้องการออกจากคนพานทำไมเราจึงต้องการครบบัณฑิตในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันทาไมเราจึงเห็นโทษภัยในวัตะ วัตตะมันเสียหายยังไงมันไม่ดียังไงคุณไปตามคิดเรื่องนี้ให้เข้าใจเถอะนั่นแหละเรียกว่าการทําปริญญาวัตตะมันเลวยังไงบ้างเกิดเป็นมนุษย์มันเสียหายตรงไหนไม่ดียังไงเนี่ยนะขันห้ามันไม่ดียังไงเป็นต้นเนี่ยไปตามคิดให้รู้ให้เข้าใจเถอะนั่นแหละการเจริญในปริศนาแล้วถ้าไม่มีขันห้าดียังไงคิดอย่างนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะถึงที่สุดแห่งทุกข์แน่เนีย่ยนะคิดได้หรือเปล่าแค่นั้นแหะ ที่คําถามที่หลายๆอย่างเขาถามเนี่ยนะก็เขาเข้าใจเขาคือเขาจะให้ไปรูปแบบแบบฟอร์มแบบที่เขาเคยทํามาก่อนเนี่ยนะเช่นเขาเคยทํายังไงก็จะให้ไปชี้ชัดแบบเช่นถ้าใครปฏิบัติโดยการใช้อริยาบทเป็นหลักเมื่อไหร่เราจะชวนเขาทํำอริยาบทแบบนั้นบ้างเช่นเขาชอบนั่งหลับตาเนี่ยนะเมื่อไหร่ท่านจะชวนโยมนั่งหลับตาบ้างอย่างนี้ หรือถ้าเขาชอบเดินค่อยๆย่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะเมื่อไหร่จะพาเดินโยมเดินย่องอย่างนี้บ้างเมื่อ น, นั้นแหละจะเรียกว่าปฏิบัติหรือว่าท่านจะให้โยมพาท่องคำใดก็จะท่องคํานั้นแหละเมื่อไหร่ท่านจะพาท่องคํานั้นสักทีหนึ่งเพราะนิยามการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าประสบะการณ์ภูมิหลังเข้าไปรับอะไรมาทั้นเขาก็จะเอาไอ้สิ่งที่เรียนเนี่ยไปเทียบกับของเก่าของเก่าของเขาเขาตลอดเลย อจากหลักการอันนี้ของมาก็มาคิดเองว่าให้เราเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหรือว่าพระพุทธเจ้ามาโนวัด ต, ตามเรากันหน่อยนั่นในการศึกษาอันนี้เนี่ยนะของมาก็บอกแล้วว่าเป็นการศึกษาพระธรรมคําสอนร่วมกันซึ่งอยากจะแนะนําว่าให้เราสมาทานประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําเธอส่วนทําได้มากได้น้อยก็ก็ตามสติตามกําลังของเราใช่ไหมแต่ขอสมาทานว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเรา เราขอคิดตามพระพุทธเจ้าคำใดที่ยังไม่เคยพบในพระพุทธพจน์ไม่เคยพบในคำสอนไม่ขอเอาไปคิดทำใดที่เคยพบเคยเห็นเคยอ่านพบในคำสอนขอคิดขอสมาทานตามคำสอนนั้นถ้าโดยส่วนตัวนะขอมาสมาทานไอ้วัดอันนี้มาหกปีแล้เหกปีหรือเจ็ดปีนี่แหละบอกว่าถ้าไม่มีหรือยังไม่เคยพบพยัญชนะในพระไตรปิฎก ไม่ขอเอาไปคิดตามเนี่ยนะถือว่าคานี้ไม่ใช่คำของพระรันาตนตรัยไม่ใช่สารณะของเราผ่านแต่ถ้าคำใดที่มาในคำพีนะคำนั้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าเราเอาเอาพระรันาตนตรัยเป็นสารณะแต่ในยุคนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่เรียกว่าไม่รู้มีใครเป็นสารณะกันแน่เนี่ยนะเป็นยุคที่ค่อนข้างแปลกใจพอสมควรว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ พระพุทธเจ้าไม่ได้รับการเคารพนับถือเชิดชูเท่าที่ควรเขาไม่ค่อยรู้จักพระพุทธเจ้าเลยมีอยู่แห่งหนึ่งนะมีสัมมาเนรรูปหนึง่งมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะสังเวชใจมาถึงทุกวันเนะี่ยก็บอกว่าประวัตินักฟุตบอลทุกคนเนี่ยนะสัมมาเนรหลายรูปรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะเขาบอกว่าแต่ประวัติพระอารหันทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นท่านไม่รู้จักกันไม่รู้คือใครเขาวอกงนะั้น อ่นะเดวิดแบ็กแฮมอะไรเขารู้หมดนะพวกนี้นะเขารู้ว่าเออเก่งขนาดนั้นนะผมมาจํว่ามาทีหนึ่งจำสมณเนรเล่าให้ฟังอ่ะนะาบอกโอ้โหมันเป็นเอามากขนาดนี่นะของเราทั้งหลายนับถือพระรัตนตรายเป็นสารณะพระพุทธเจ้าท่านบาเพ็ญบารมีอะไรบ้างทำยังไงมาบ้างใช้เวลาแค่ไหนแต่ละอย่างทำอย่างไรบ้างทำแล้วตรัสรู้อะไรตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้เมื่อไหร่ ท่านคิดยังไงท่านจึงตรัสรู้ตรัสรู้แล้วท่านมีผลยังไงแล้วท่านสอนใครสอนที่ไหนสอนว่าอย่างไรสอนแล้วดียังไงนะคำสอนสอนว่า ย, ยังไงค น, คนคที่ฟังฟังแล้วเข้าบรรลุอะไรเข้ารู้อะไรเนี่ยนะทําไมเราจึงต้องนับถือท่านท่านดียังไงเป็นต้ น, นแล้วเรามีปัญหาอะไรเราตอบได้หมดไหมถ้าเราตอบไม่ได้อย่างนี้ก็อย่างว่านะก็แหมหน้าการุณาเหมือนก็ยังอยากา จ, จะใช้คําในพระไตรปิฎกท่านบอกดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราว่างั้นแ่เนะ ก็เรากับท่านเหมือนกันนั่นแหละยังเพราะเหตุไรหนอะเขาจึงเรียกว่าสับเคยดีนะคํว่าสับไม่แปลว่าอะไรเพราะคล่องเพราะผู้คล่องในขันห่านะสรรพสับทั้งหลายเป็นอย่างนี้เนะี่ยเพราะการศึกษาพระธรรมก็เป็นไปเพื่อการไม่ติดไม่คล่องในขันห่ารู้เห็นอย่างไรคิดอย่างไรจึงจะไม่ติดไม่คล่องในขันห่าถ้าเราเรียนปฏิสัมพิธา ม, มักเนะ วิธีปฏิบัติเนี่ยทรงจําหัวข้อของปฏิสัมพันามรดเนี่ยนะเช่นโดยลําดับยานนะเน่ามาตรึกดูตั้งแต่สูตรตรามายาญาณ น, นะสิบหหัวข้อมีอะไรบ้างแล้วสองข้อลงมาใช้ในชีวิตเป็นจริงสี่นะมายาญาณคืออะไรแล้วสองข้อลงมาใช้ชีวิตที่เป็นจริงนะปัจญาปริขหายานเป็นต้นเนี่ยนะแต่ละญาณเนี่ยเอามาสองข้อเอามาฝึกเอามาคิดเอามาไข้ครวนเพราะนี่เป็นลําดับเป็นขั้นตอนบอกทั้งเป็นลําดับตามปฏิบัติด้วย ทั้งถ้าใครอยากปฏิบัตินะคําสอนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลําดับของการปฏิบัติเป็นลําดับของคำภีร์ด้วยเป็นลําดับของการปฏิบัติด้วยซึ่งอีกสามสีหน้าข้างหน้าเราจะเรียนถึงเนี่ยนะเราจะเรียนถึงว่านี่แหละคือเราเรียนลําดับของการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกของมาก็ยังนึกเลยเราจะทำจะต้องพิจารณาตัวเองพอสมควรเหมือนกัน วิตักก ะ, กะโยนิโสมณสิการเนี่ยนะโยนิโสมณัสิการโดยทั่วไปก็คือการอาวัชนะถึงถึงคําสอนนั้นๆน่นะนะที่นี้ในอาวัชนะเนี่ยโดยเฉพาะมโนทวาราวัชนะเนี่ยถ้าไม่มีวิตกเกิดร่วมด้วยอ่ะทํายังไงจะเปน็นหลวงอาวารมณ์นั้นได้เนี่ยนะถ้าอาวัชนะที่เกิดในมโนทวาราวัชณะนะนอาวัชนะแปลว่าตัวคํานึงหรือรำพึงหรือคิดถึงเนี่ยนะ คิดถึงอารมณ์ทั้งกวงเนี่ยถ้าไม่ด้วยอนุภาพของวิตกเนี่ยอะไรจะเป็นตัวนําไปคิดนั่นนะพันวิตกนี้จึงเกิดร่วมกับอาวัชนะด้วยเนี่ยนะตั้งแต่ปัญจคูทวาราวัชนะเป็นต้นถึงมโนทวาราวัชนะเนี่ยนะมันก็เกิดจากการอาวัชนะถึงคือคิดถึงรำพึงถึงก็มีวิตกเกิดร่วมด้วยอยู่แล้วทัานโยนิโสมนัิการกับวิตกเนี่ยต่างกันไหม เธอท่านให้ค่ากับคําว่ายโยนิโสมนัสิการกับคําว่าวิตกถามว่าทําไมอย่างนั้นเพราะว่าโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้แห่งกุศลทุกชนิดเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของกุศลทุกชนิดทีนี้ถ้าเป็นวิตกจะแสดงต่อจากอะไรสัมมาสังกัปปะแสดงต่อจากอะไรแสดงต่อจากสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นใช่ไหมแสดงสัมมาทิฏฐิก่อนจึงแสดง สัมมาสังกปะแต่โยนิโสมนัสิการเป็นอาหารของสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะจึงจึงตามมาแล้วโยนิโสมนัสิการนไม่มีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็สุตตะเป็นอย่างดีทีนี้อย่างที่ผู้การพูดถึงว่าเมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะไปตรึกตามนี้สักทีหนึ่งเนี่ยนะถ้าจะให้ถามนะ เมื่อไหรเนอะเราจะไปเอาเรื่องอริยสัจมาคิดสักทีหนึ่งเมื่อไรเนอะเราจะคิดถึงกรรมฐานที่เราได้รเรียนขึ้นมาเนี่ยนะอ่า น, นั่นแหละคิดได้เท่าไหร่ท่านปฏิบัติได้เท่านั้นเนี่ยนะอย่าไปให้ค่ากับอัพญญากตะธรรมเลยตัวจิตตชรูปทั้งหลายตัวรูปที่เรียกว่าจิตตชรูปแผ่ไปเกี่ยวกับยืนเดินทั้งนอนหรืออะไรก็ตามเถอะพวกนั้นเป็นรู ป, ปรขันไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติไม่ใช่ตัวเิกขาตัวเิกขานนั้นเป็น อะไรขันเป็นสังขารขันเนี่ยนะเป็นสังขารขันหรือเป็นนามขันสีเนี่ยนะทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลทํายังไงกุศลธรรมกุศลจิตเหล่านั้นจะเกิดได้บ่อยเกิดได้มากแต่ถ้าใครฟังอยู่เท่านี้แล้วไปเจริญได้ทั้งวันทั้งคืนนะเพราะมานับถือเลยว่าท่านทําบุญอะไรกันมาหนอทําไมเก่งขนาดนี้เนี่ยนะของ ของมายังตรึกได้มันไม่มากเท่าไหร่เลยนะก็บอกโถ้าเขาเจริญได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเจริญได้ยาวเจริญได้ดีปีติโสมนัสเนี่ยก็แปลกใจมากว่าทําบุญอะไรมาไม่ได้ริสยานนะแต่ว่าเขามีบุญจริงๆขอมุทิตาด้วยขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะแสดงว่าอีกไม่นานท่านจะต้องแทงตลอดอริยสัจไดเป็นแน่เขาท่านสามารถโยนิโสมนัสิการสามารถค้นคิดใคร่ควรพิจารณาได้ ทั้งวันทั้งคืนนั้นเชื่อว่าเขาจะทาที่สุดแห่งทุกได้แน่นอนเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนยแต่ว่าสำคัญก็คืออยากจะตรึกทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รู้จะตรึกอะไรเนี่ยทีอันนี้จะทำยังไงเทปก็มีแล้วเอ3มพีสามก็มีแล้วพระไตรปิดกก็มีกันทุกคนเนี่ยนะจะทำยังไงกันเนี่ย คือจริงๆก็สิ่งเดียวกันน่ะนะหมายความว่าที่ใดใช้คําว่าจงตรึกอย่างนี้ก็คือตรึกเนคขมวิตกตรึกอัพยาปาธาวิตกตรึกอวิเหิงสาวิตกก็เท่ากับบอกว่าโยนิโสมนัิการอย่างนี้เนี่ยนะก็คือเป็นทาลักษณาาะหราณะสามารถยกหัวข้อธรรมใดหัวข้อธรรมหนึ่งขึ้นมากล่าวก็เป็นอันใช้ได้อย่างโพวกที่ปัจจะธรรมเนี่ยนะ จะยกสติประธานมากล่าวก็ได้จะยกสัมมประธานอิทิบาทอินรีย์พละพ่อชงหรือองค์มรตมาแสดงก็ได้ซึ่งจริงๆก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะเพราะว่าโดยชาติของธรรมะเนี่ยนะโดยชาติน ะ, ระเรียนอภิธรรมมัทะสังหะมาเนี่ยนะก็มีอะไรกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติกิริยาชาติถ้าพูดธรรมะกลุ่มกุศลชาติยังไงก็ต้องมาด้วยกันเนี่ยนะถ้าพูดอันเดียวก็ ก็เหมือนกับเชิญรายการบางรายการนะถ้าหัวหน้ามาแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วอย่างเออดจะมาหมดเลยแต่ทีนี้อัธยาสัยของเวนยศัสตร์นั้นอ่ะบางคนเนี่ยเขาฟังคําว่าวิตกนะเช่นจงตรึกอย่างนี้เข้าไปเจริญได้เลยอีกบางคนเขาบอกว่าจงมนาสิการอย่างนี้ใช้คําว่ามนานสิการเข้าเอาไปปฏิบัติได้เลยอีกบางคนเนี่ยเช่นสอนเชื่องให้มีฉันทะสอนฉันทะแล้วเขาเข้าใจเลยบางคนเนี่สอน ให้มีวิรยิยะเนี่ยนะซึ่งไอตัวอัญญสมนาเจตสิกเหล่านี้เนี่ยหรือกลุ่มปกินกะเจตสิกเนี่ยหรือสัพพจิตตาสาธารณาเจตสิกซึ่งบางคนเนี่ยฟังเข้าใจมากกว่าโสมณเจตสิกด้วยซ้าไปเขาสามารถปปฏิบัติได้เลยเนะซึ่งก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องแสดงเฉพาะแต่โสมณเจตสิกเท่านั้นจริงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแต่ทีนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันว่าถ้าเป็นมิตก ที่สอนให้เจริญก็ต้องเป็นพาเวตประธรรมนั่นก็ต้องเป็นสัมมาสังกั ป, ปะถ้ากล่าวมนานสิการมนานสิการอันนั้นต้องเกิดร่วมกับโสรภธรรมต้องเกิดร่วมกับศีลและสิกขาเป็นต้นเพนิ่มคําว่าจงตรึกอย่างนี้จงอย่าตรึกอย่างนี้คือจงตรึกกุศ ล, ลวิตกษามอย่าตรึกอกุศลวิตกษามจงมนานสิการอย่างนี้คือมนานสิการว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อย่ามานาศิการว่าสุขว่าเที่ยงว่าอัตตาจงละสิ่งนี้คือจงละนิวรณ์ทั้งห้าจงเข้าถึงสิ่งนี้คือเข้าถึงอะไรก็อรหัตผลได้ก็ยิ่งดีเน่ยนะเข้าถึงให้มันได้ขนาดนั้นเถอะถ้าคนที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของคําสอนเนี่ยแค่นี้เจริญได้เลยเนี่ยนะแต่อันนี้เป็นส่วนของรายละเอียดนะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะยกตัวอย่างที่ปายสิปตัตนามฤุกทายวันเนี่ย หลังจากที่พระองค์แสดงธรรมาจักกับประวัตนาสูตรจบพระอัญญาโกนธัญญะบรรลุโสดาบันพระภิกษุที่เหลือไม่ได้บรรลุอะไรเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนกรรมาฐานให้พระภิกษุเหล่านั้นบรรลุวรลองค์วรลลองค์วัลองค์ใช่ไหมบรรลุวรลลารูปถามว่าพระองค์สอนอยังไงสอนคือพระภิกษุเหล่านั้นก็ไปมนานสิการอริยสัจกันนั่นแหละพอมนานสิการไปมนานสิการไปอคุศนวิตกเกิดขึ้น พระ อ, องค์น่เหาะมาเลยมาปรากฏเฉพาะหน้าบอกาอยาตรึกอย่างนั้นจงตรึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นบรรลุวันละองเลยพอวันที่แรมห้าค่าพ อ, องประกาศอลัตอนัตตลักษณสูตรบรรลุหมาเลยคนนันี้เนี่ยนะทันสมัยผูอกับการสมัยที่พระ อ, องค์ยังมีพระชนอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าอย่างพระโสนะโสนะโกริวิสาเนี่ยนะที่ที่เรียกว่า มหาเศรษฐีมีขนงอกที่ฝ่าเท้าเนี่ยออกบวชอ่ะเพราะท่านไปคิดยังไงคิดว่าคิดว่าโอ้เราเนี่ยนะปฏิบัติขนาดนี้ในบรรดาสาวกผู้ปฏิบัติด้วยความภาพเพียนพยายามแล้วบรรลุเนี่ยนะถ้าเรามีอยู่ปณิสัยเราก็ต้องบรรลุเหมือนเขาอ่ะนะว่าเราเพียนขนาดนี้แสดงว่าเราไม่มีปณิสัยเพราะฉะนั้นเราจะศึกไปทําศึกไปครองเรือนไห่ทานก็ได้ทรัพย์สินของเราก็มีเยอะๆเหมืางกันท่านก็คิดอย่างนี้นะพร อ, องค์ก็มาปรากฏเลย โซนะได้ยินว่าเธอคิดเช่นนี้จริงหรือจริงก็จเจ้าค่นนะนี่นะพระองค์ก็บอกว่าโสนะเธอชํานาญในเสียงพินไม่ใช่หรือเสียงพินตึงเกินไปเป็นยังไงยอมเกินไปเป็นยังไงถ้าสม่ําเสมอละ่ะนั่นแหละเธอจงรู้นิมิตแห่งความสม่ําเสมอนี่นะนิมิตก็คือสมถฐานิมิตวิปัสสนานิมิตมรคนิมิตผลนิมิตนั่นแหละแล้วเธอจงรู้ความที่อินทรีย์เสมอกันนนะี่นะพระองค์ก็สอนกรรมฐานต่อไปแล้วก็ ไม่นานท่านก็บรลุเนี่ยนะท่านก็ห้ามเลยนะว่าการคิดแบบคารวะไม่ควรไอ้ตึงเกินไปหย่อนเกินไปมาตรึกแบบนี้นะมาเจริญอย่างนี้ปรับอย่างนี้สมถานิมิตเป็นอย่างนี้วิปัสสนานิมิตเป็นอย่างนี้ท่านฟังท่านเข้าใจเลยท่านก็เจริญแล้วก็บรรลุกมัดผลเนี่ยนะซึ่งของเราก็ต้องมาอธิบายว่าสมถานิมิตมันคืออะไรเนี่ยนะคือมันเรียนทุกคําเลยนะของเรานี่มันรุ่นระดับนั้นนะ่ะนะ ก็ทําไมยังอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เก่งมากนะนะก็นี้แหละว่าผู้ที่มีบุญน้อยก็เป็นอย่างนี้นะแต่อย่าลืมนะว่าท่านพระอริยะสมัยพุทธกาลท่านเคยบุญน้อยเช่นเราแต่ท่านเหล่านั้นไม่เลิกเนี่ยนะในที่สุดท่านก็เป็นผู้มีบุญเนี่ยใครจะเคยคิดว่าพระนุรุทธะเคยเป็นยายาจกขนาดว่าเกิดมาได้ยินแต่คําว่าไม่มีตอนชาติสุดท้ายใช่ไหมคาว่าไม่มีท่านไม่เคยได้ยินเลยนะ เพราะขนมไม่มีปับ๊บมันเป็นขนมพิเศษอีกชนิดหนึ่งเรียกขนมไม่มีเนี่ยนะคือเป็นผู้มีบุญขนาดนั้นัน้นถ้าถ้าเราไปศึกษาประวัตินะท่าอาริยะทั้งหลายแหละในอดีตท่านเหล่านั้นเนี่ยนะคลอนน้ำตากันมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่งมาเริ่มให้ดีใจแต่ว่าเราทั้งหลายกําลังดําเนินตามรอยอริยะวงอยู่สักวันหนึ่งเราจะต้องแทงตลอดอริยะศัตท์ตรัสรู้เป็นท่าอริยะ ตามวงของท่านเหล่านั้นอันในที่สุดก็คงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่อย่าลืมว่าปัจจัยแห่งความพ้นทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยเดียวเี่ไม่ใช่ปั จ, จัยเดียวใช่ไหมแต่ใช้ปัจจัยเดียวก็ได้นะปกตูปะนิสยาปัจจัยเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปฏิแต่ล็อกไว้นะล็อกขอบเขตไว้ว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรรมถ้าจะเอาวันเดียวก็ได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ปิดอกสามนี่แหละทุกๆอักษรเป็นอา ร, รมณปัจัยหมดเลยใช่ไหม ทีนี้ถ้าเกิดมาเนี่ยไม่เคยส่องเสพไม่เคยอะไรไม่เคยสำนวนว่าเคยใครฝันว่าศึกษาธรรมะมัง่งก่อนที่จะมาเรียนธรรมะนะมีไหมถ้าไม่มีขนาดนั้นแสดงว่าสั่งสมไม่น้อยเพราะฉะนั้นเพียรไปเถอะเนี่ยนะจากร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่ถ้าเลิกแล้วร่วงทุกข์ได้นะเพื่อนพระภิสุ ข, ของธรรมาที่รู้จักหลายคนเนี่ยศึกไปคงได้ดีกันทุกคนแล้วแต่ที่ไหนได้กลับไม่ใช่เลยศีลห้าจะรักษามไม่ได้เลยซ้ําไป เพราะฉะนั้นหวังว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำที่เราศึกษาเนี่ยนะก็ถ้าไม่เลิกไม่ลาตั้งความเพียรตั้งสมาทานอธิษฐานาบ่อยๆที่จะอบรมใายสิกขาคิดว่าในที่สุดเราก็ตรัสรู้ตามขราพุทธเจ้าแต่อย่าลืมว่าหมื่นโยน์มันก็ต้องอาศัยก้าวแรกก่อนใช่ไหมเดินทางไกลๆเนี่ยนะก้าวแรกก่อนทีนี้ทางไกลเนี่ยนะที่เป็นทางแห่งบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่ง ใช้ความเพียรใช้ระยะเวลาถ้าของเราทั้งหลายแล้วปฏิบัติบรรลุง่ายบรรลุเร็วนะของมาจะแปลกใจมากเพราะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะบางรูปสิบสองปีไม่ได้อะไรเลยสมัยพุทธกาลนะอย่างพระอะไรนะทารฐบาลบอกโอยออกดากหมูอยู่แต่ผู้เดียวไม่นานนักก็ทำที่สุดแห่งทุกได้เท่าไหร่รู้ไหมสิบสองปีเนีย่ยนะพระสุทินเนะี่ยนะแปดปี ตอนหลังก็ไม่ได้บรรลุอะไรหรอกแล้วพระที่ทรงพระไตรปิฎกอีกหลายรูปนะสามสิบปีบ้างหกสิบปีบ้างของเราก็กี่ปีแล้วเราไปคิดดูนั้นบอกโอ้โหถ้าบรรลุน่าจะแปลกใจค่อนข้างมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมีบุญขนาดนี้เนี่ยนะก็จะโอ้โหเป็นผู้ควรเคารพจริงๆว่าผู้มีบุญทั้งหายเนี่ยนะแต่ถ้าได้เท่าที่เป็นอยู่นะก็จงยินดีเถอะว่าเรานี่ไม่ใช่รักหรอก มาตามขั้นตามตอนแล้วล่ะเนี่ยนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องปัจเจกคณาญานก็คงเป็นครั้งต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งนะนะอาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปัจเจกคณาญานนี่ก็สมควรเวลาแล้วนะเชิญฟาง